ก็ก ร, ราบบุญบาราตนาไพรกราบบุชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนาก็กราบครวะบระเทารุเทระครูบาอาจารย์เพื่อนสัตยมิกและมายังไม่ชี อุบาสกอุบาศิกาทุกท่านก็นั่งตาม <c oughs> ปกติก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตนะิที่วัดป่าสุขโตของเราแล้วนะก็หลังจากทาวัดานะจะทาวัดเชา้าทำวัดเย็นแล้วนะก็มาฟังธรรมกัน เ, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าใครติดตามข่าวนะคงจะทราบดีว่ า, าประเทศไทยเราก็ได้เสียนะพระผู้ใหญ่ไปรูปหนึ่งนะก็คือสมเด็จพุทธาจา์เกีียวนะซึ่งก็เป็นพระผู้ใหญ่ในระดับที่ปฏิบัติงานแทนสมเด็จพระสังฆราช เท่าที่ได้ติดตามประวัติแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวของท่านเนี่ยก็ได้ทราบว่าท่านเคยทำนายไว้นะท่านเคยมองการไกลนะว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยในอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยจะไม่เป็นเหมือนอย่างนี้นะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อเรื่องของ โชคลางเรื่องของพุทศาสนาแบบเปลือกๆนะท่านก็เลยมองการไกลว่าน่าจะได้นำพุทธศาสนาเนี่ย เ, เผยแพร่ในต่างประเทศนะก็เรียกว่าท่านเป็นผู้ผลักดันนะให้พุทธศาสนาได้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะจนถึงปัจจุบันนี้นะก็มีประเทศต่างๆเนี่ยที่มี พระพุทธศาสนาที่แผ่จากประเทศไทยไปเนี่ยประมาณ22ประเทศนะมีวัดอยู่ในต่างประเทศถึง1้อยวัดนะแล้วก็เป็นที่สนใจนะของฝรั่งนะแล้วก็ชาวต่างประเทศเป็นอันมากนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนะที่ชี้เห็นว่าในประเทศทางยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ย รแม้แต่ญี่ปุ่นก็ดีนะเป็นประเทศที่เขาเจริญนะทางวัตถุเต็มที่นะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขนะจากวัตถุได้นะเขายังขาดนะความสุขที่เกิดจากการมาเรียนรู้นะจิตใจของตัวเองนะซึ่งตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เขาไขว่คว้าหรือสแสวงหานะไม่ใช่เฉพาะ นิกายเทราวาดวัชรยานของอธิเบตก็เป็นที่แพร่หลายอย่างมากดะัะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็ น, นว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีของดีโดยเฉพาะย่างยิ่งหลักธรรมที่เราจะเอามา ป, ปฏิบัติให้เกิดเป็น ความสุขนะที่เกิดขึ้นในจิตใจนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนื อ, อวัตถนะุที่คนส่วนใหญ่เนี่ยสแสวงหากันโดยเฉพาะประเทศไทยเราเจนว่าคนส่วนใหญ่นะก็ยังวิ่งวุ่นหาความสุขจากการได้เสพนะจากวัตถุภายนอกนะความสุขทางจิตใจ นะก็ยังมีไม่มากเท่าที่ควรนะแม้ว่าเราจะมีครูบาอาจารยนะ์มีผู้รู้หลายท่านนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดานะยโดยเฉพาะยิ่ง <c oughs> พวกเราที่มาอยู่วัดป่าสุกโตนะเราเห็นว่าที่วัดป่าสุกโตเราก็ไม่เน้ น, น, นนะในเรื่องของวัตถนะุมากมายนะเราพยายามที่จะรักษาธรรมชาติของป่า นะให้เป็นที่สําหรับที่เราจะได้เจริญภาวนานะเพื่อที่จะสัมผัสนะความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกนะารที่เรามาเจริญสตินะเจนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของวัดปาสุกโตนะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะไม่ได้เน้นความสะดวกสบายนะไม่ได้เน้นความหรูหรานะมันวัดทั่ ว, วไป นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมนะที่ส่งเสริมสนับสนุนนะให้เราได้มาสแสวงหาความสุขนะที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเรานะซึ่งส่วนนีนะ้เป็นส่วนที่ขาดไปนะในการศึกษาของโลกปัจจุบันนะเพราะโลกปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นนะให้เราไปสแสวงหาความสุขนะจากวัตถุภายนอกนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดอะไรนะเป็นส่วนหนึ่งนะที่มนุษย์เราทุกคนต้องแสวงหานะแต่ว่าความสุขที่เกิดจากวัตถุเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะมันก็แปรเปลี่ยนไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแสวงหาแต่ความสุขทางวัตถุเนี่ยนะจิตใจของเราก็จะไม่อิ่มไม่เต็มแต่เมื่อเรามา เ, าเรียนรู้ ที่จะสแบ่งหาความสุขในจิตใจของเราเนี่ยนะก็จะทำให้เรามีความอิ่มอกอิ่มใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองนะมันไม่สามารถที่จะให้ใครทำแทนหรือไม่สามารถที่จะใช้เงินทองซื้อได้นะทีนี้การที่เราจะทำนะที่จะไปสัมผัสกับความสุขที่มีอยู่ในจิตใจได้เนี่ยนะก็จาเป็น ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กายใจของเราซึ่งครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่วัดป่าสุขโตเราก็ได้แนะนำวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ใ้เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะถ้าเราได้ฝึกกันนะอย่างต่อนเนื่องนะก็จะทำให้เรารู้จักตัวเราเองนะรู้จักกายรู้จักใจของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าเราจะทำกันจริงจังแค่ไหน แตบางทีเมื่อเราเริ่มต้นเรามีศรัทธานะที่จะประพฤติปฏิบัตนะิแต่เวลาพอทําลงไปเนี่ยนะไปเจอความง่วงเมาเมานอนไปเจอความเบือ่อนะไปเจอความฟุ้งซ่านนะบางคนก็ท้อใจไปเลยนะไม่ไหวลนะทําไม่ได้ลนะความง่วงมาชวนให้เราง่วงนะยิงถ้าคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยนะถ้าไม่มีกัลยาณมิตรตีไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มเนี่ย นะทําคนเดียวอยู่ที่กุฏิเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับเข้านอนแนะ่นอนนะตัวก็ผมด้วยทำไมเองก็เคยเป็นนะสมัยแรกๆ ก, นะก็เป็นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะมาขวางกั้นนะไม่ให้เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเจออารมณ์แบบนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อมันเลยนะต้านมันเลยไม่ทําตามมันเลยง่วงไม่นอน กลางคืนนอนแต่กลางวันไม่ น, นอนมันเบื่อก็อย่าไปหยุดทาเบื่อก็ทำไม่เบื่อก็ทำนะอันนี้เป็นอารมณ์เบื้องต้นเลยที่มันจะต้องเจอนะไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ตามอ่นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องทดสอบนะที่เราจะได้เรียนรู้กายใจของเราหรือบางคนทำไปมันปวดมันเมื่อยนะมันรู้สึกเป็นไข้อนะก็มีเหมือนกันนะ อาการพวกนี้นะตรงนี้ก็อย่าพึ่งไปตกอกตกใจไปนะเป็นธรรมดานะที่เขาจะแสดงตัวออกมานะแสดงตัวออกมาเพื่อเราได้เรียนรู้นะเพื่อเราปรับอกปรับจิตปรับใจของเราและยอมรับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นการเรียนรู้การเจริญสติเนี่ยนะเราไม่ได้มุ่งให้สงบแบบนิ่งแล้วไม่รู้ตัวนะเรามุ่งให้สงบแบบรู้ตัว เพราะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนนะจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็ตามอารมณ์ที่น่าพอใจไม่พ อ, พอใจก็ตามเรียนรู้มันไม่ต้องไปหลบหลีกมันไม่ต้องไปหลีกหนีมันการฝึกจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็เป็นอุบายนะที่จะให้เราเนี่ยได้เผชิญกับอารมณ์ได้เผชิญกับความคิด ได้เผชิญกับธรรมชาตนะิของกายของใจนะที่มันเกิดขึ้นนะทีละขณะทีละขณะนะซึ่งตรงนีเน้เป็นเรื่องที่ถ้าผู้ที่ยังไม่คุ้นเค ย, เยนะก็จะรู้สึกงุนงงสงสัยและบางทีก็ท้อแท้ท้อถอยนะ ไ, มไม่อยากที่จะทำต่อไปโนะดยเพราะ ย, ยิ่งคนที่เคยทำแบบนั่งหลับตาสงบนิ่งๆ พอมาทําวิธีนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊มันไม่ใช่ละมั้งนะการมาทําภาวนามันน่าจะสงบนิ่งๆนะมาทย่างนีเราฟุ้งซ่านจริงๆอาการฟุ้งซ่านมันก็เป็นอาการของจิตนะที่เขาแสดงออกมานะที่เราจะควรจะดูนะแล้วก็เห็นมันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนนะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ถือเป็นบทเรียน นะบทเรียนที่เราจะปรับจิตปรับใจปรับสมดุลของกายของใจให้มันพอเหมาะพอดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจหรือเห็นความจริงและความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันจะต้องผ่านอารมณ์พวกนี้ไปก่อนความสุขที่เกิดขึ้นในใจก็คือความเป็นปกติของใจนั่นแหละนะซึ่งมันมีอยู่แล้วนะแต่ที่เราไม่เห็นมันหรือเราไม่เคยได้สัมผัสมันนะเพราะว่าเรามัวไปหลง นะอยู่กับอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะเพราะนั้นใจของเราก็เลยไม่ปกตินะเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างพอใจไม่พอใจนะเพราะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับถูกกักขังหรือเอ่อถูกยึดเอาไว้นะเรียกว่าไม่เป็นอิสระ ใจจริงๆเนี่ยเขาเป็นอิสร ะ, ะแต่เพราะความหลงหรือความไม่รู้นความไปยึดติดในอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั่นแหล ะ, ะที่มันกักขังเอาไว้ทำให้ใจเราไม่เป็นอิสระทำให้ความปกติของใจหรือความเป็นปกติสุขของใจเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวเองแสดงตัวเองออกมาราะฉะนันตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทาอยู่เรื่อย นะก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆกายที่เคลื่อนไหวเนี่ย <c oughs> จะเป็นการปลุกธาตุรู้ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวนี่จะเป็นเครื่องมือนะหรือเป็นตานที่เราจะให้เห็ น, นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราโนะดยเฉพาะในส่วนของใจคือความคิดปรงแต่ง ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเาจะมีมากมายมีหลายลักษณะนะทั้งควา ม, ค, วามคิดดีความคิดไม่ดนะีหรืออาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะสิ่งที่ฝังใจสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกขนะ์เขาจะแสดงออกมานะทีนี้เมื่อเราไม่เห็นเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะถูกดูดถูกกลืนเข้าไปนะเกิดเป็นอารมณ์ สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์โกรธนะอารมณ์โลภอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันก็เกิดจากความหลงนั่นเองแต่เมื่อได้ก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแตนะ่มันก็จะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์นะตัวนี้ก็จะเป็นการตัวปรับสมดุล น, นะทำให้เราใจของเราเป็นปกติขึ้นมาเพราะนั้นในส่วนของกายส่วนของใจเนี่ยนะมันมีอะไรมากมาย ที่น่าเรียนรู้ถ้าสติของเราตื่นขึ้นมาเห็นแล้วมันจะเกิดการเข้าใจเห็นความจริงของกายของใจว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่เป็นอย่างใจเราเขาไม่เป็นอย่างที่เรานึกคิดเขาไม่เป็นอย่างที่เราจินตนาการเขาเป็นของเขาอย่างนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นความจริงคนที่ไม่ได้เห็นความจริงก็จะเอาตัวเอง เข้าไปอยู่ในอารมณ์เข้าไปอยู่ในความคิดกลายเป็นตัวเราสุขตัวเราทุกข์ตัวเราปวดตัวเราเมื่อยนะตรงนี้เพราะความหลงเพราะความไม่รู้นั่นเองนะหรือความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะเกิดการยึดติดยึดถืออยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆถ้าเป็นความสุขไม่อยากจะอยู่เลยถ้าเป็นความทุกข์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เราจะเห็นได้นะเมื่อเราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั้นนะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นรูปแบบนะแล้วก็นอกรูปแบบนะขณะที่เราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะนะหรือแม้แต่เราไปทํากิจวัตรประจำวันต่างๆตรง น, นี้เนี่ยนะพยายามที่จะใส่ใจที่จะมีเจตนาที่จะรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆทําบ่อยๆรู้สึกตัว บ, บ่อยๆ แม้แต่น้อยๆก็ยังดีน้อยๆแต่บ่อยๆนะตรงนี้เนี่ยหมันเหมือนกับน้ำเนี่ยมันหยดทีละหยดนะเมื่อมันหยดมากๆมันก็เต็มโอค์ได้เหมือนกันการที่เรายกมือก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือมีความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันบ่อยๆอย่างนี้ตรงนี้ก็เหมือนกับเราเอา่อเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเติมน้ำนะให้มันเต็มตุ่ม ก็คือเติมความรู้สึกตัวให้มันเต็มเข้าไปในใจของเรานะถ้าความรู้สึกตัวมันเต็มไปในใจแล้วเนี่ยไอความหลงความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะเข้ามาครอบงมใจไม่ได้ใจมันก็จะเป็นอิสระนะเป็นอิสระเป็นปกติเป็นสุขนะที่ประณีตเป็นสุขที่มีอยู่แล้วนะในใจของเรานะซึ่งตรงเนี้เป็นแก่นเป็นแกนของพุทธศาสนาจริงๆ เป็นสิ่งที่พระุทธองค์เนี่ยได้นําเสนอไว้เมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นของคนทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เกี่ยวกับนัก บ, บวชหรือไม่บวชนะเพระนั่นอันนี้ถือว่าเป็นเป็นธรรมสากลร์นะที่พวกเราสามารถที่จะเรียนรู้นาะสามารถที่จะ เอามาใช้ประโยชน์ได้นะเพียงแต่ว่าขอให้เรามีความเพียร น, นะมีความพยายามในการที่จั ด, จดเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่ให้อิสระกับเราเต็มที่นะไม่มีกิจการงานอะไรมากมายแล้วนะก็มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะซึ่งเป็นงานที่เป็นงานส่วนรวมนะซึ่งตรงนี้เราก็ช่วยเหลือกันไป นะในเวลาที่เราว่างนะเราควรจะใช้เวลาเพื่อการเจริญสตนะิเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตความสุขที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของเราซนะึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่น่าพิสูจนะ์เป็นสิ่งที่น่าทดลองเราอย่าใช้เวลาไปทำเรื่องอื่นเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการสันนาการการพูดคุย การคุกคีนะอันนี้ก็คงมีบ้างนะเล็กๆน้อยน้อยแต่อย่าใช้เวลาไปให้มากกับเรื่องพวกนี้นะได้เคยไปอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะท่านก็พูดไว้ชัดนะพระเจ้าเจ้าก็พูดไว้ชัดว่าภิกษุนะที่ยังไมนะ่ถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเนะี่ยมันมีอยู่ประมาณ7 8แปประการนะอันนึงก็คือการคุกคีด้วยหมู่คณะ การพูดคุยการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่ประมาในการบริโภคการยินดีในการหลับการนอนและก็การยินดีในการทำกิจการงานต่างๆที่ที่ไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้ใช้เวลาไปเพื่อการเจริญสติ เนะ่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปอ่านในประไตรปิฎกก็ดีหรือพระคัมภีร์ต่างๆก็ดีเนี่ยเขีนได้ว่าพุทธองค์เนี่ยพยายามสนับสนุนนะให้เราไปอยู่ใต้คนไม้ไปหาเรือนว่างนะที่จะไปศึกษาเรียนรู้ตัวเองนะก็คือการเจริญสตินั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภนะของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นะดพ พ, ดพพุทธศาสนานะโดยเฉพาะยิงยิ่งได้มาพบครูบาอาจารย์นะที่ได้สอนได้แนะนำวิธีการเจริญสติที่ไม่ยากเกินไปสามารถจะทำได้นะเพียงแต่ว่าขอให้เราทำกันจริงๆให้มีความเพียรพยายามกันจริงๆนะผลมันก็น่าจะเกิดขึ้นมาได้นะสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดคงจะไม่โกหกเราหรอกนะคงจะไม่หลอกเราหรอก นะเพียงแต่ว่าเราจะทำจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเองนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะชักชวนพวกเราสนับสนุนพวกเรานะมาร่วมกันนะในการที่จเริญเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องนะเพื่อสแสวงหานะความสุขนะที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของเรานะซึ่งก็คงเป็นยอดปรารถนาละของคนเราทุกคนนะที่เกิดมา เป็นมนุษย์นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เติมเต็มให้กับชีวิตจิตใจของเรานะหลังจากที่เราคงจะได้มีความสุขนะจากวัตถนะุสิ่งของนะจากสิ่งต่างๆนะแต่เราก็ยังไม่รู้สึกมันเต็มมันอิ่มนะเรามาเติมเต็มส่วนนี้นะด้วยการเจริญสตนะิเพื่อที่จะทำให้จิตใ จ, จของเรานั้นนะอิ่ม อ, อกอิ่มใจ นะมีความเป็นปกติสุขนะอันนี้ซึ่งจะเป็นสันติสุขนะที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนะไม่เกินความสามารถนะที่เราจะทำได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยก็อยากจะนาเสนอในส่วนนีนะ้แล้วก็ขอให้เรามีความภาคภูมิใจ นะที่เราได้ประพฤติปฏิบัตนะิได้เรียนรู้แม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ผลในความรู้สึกของตัวเราเองหรืออาจจะได้ผลนิดหน่อยแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ให้กําลังใจของเราอยู่เรื่อยๆนะพยายามที่จะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องต่อไปนะถ้าติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรนะก็อาจจะเข้าหาครูบาอาจารย์นะช่วย แนะนำชี้ท่องชี้ช่องทางนะเพื่อให้เดินได้เร็วขึ้นแนะบางทีเราไปทําเองบางทีมันก็เรียกว่ามีปัญหามันก็ชักช้ามันกันนะบางทีมันหาทางออกไม่ได้นะนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าวัดป่าสุกโตเนี่ยมีสภาพแวดล้อมนะที่จะเอื้ออำหนวยเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่นะแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้ใช้เวลานะสำหรับการ มาเรียนรูนะ้เรื่องกายเรื่องใจนะเพื่อที่จะให้ได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติสุขนะในใจได้บ่อยๆเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความสุขที่ประนีตเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยนะอะไรในท้ายที่สุดนีนะ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสง นะก็คือพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็พระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเรานะ่ก็คือสติสัมปชัญญะสติปัญญาหนะ้าที่รู้ตื่นเบิกบานพระธรรมนะก็คือคำสั่งสอนของพระองคนะ์ที่แสดงให้เห็นแล้วก็ธรรมชาติที่ปรากฏ นะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะที่เราจะใช้ตาใจคริสติเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆพระสงค์ก็คือตัวประพฤติปฏิบัตนะิที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะมีความเพียรความพยายามนะคงจะเป็นพลวะปัจจัยหนุนนําส่งให้ทุกท่านนะมีความเจริญนะในการประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสความเป็นปกติ สุขของใจในเรวันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร